สาขาถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6 6 6กหกสองหชื่อบัญชีดรด า, ราวรัตนเด่นอุ ด, ดมในวงเล็บเพื่อการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะของหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยหรือทรงธนานัต ส, สั่งจ่ายปอนอำพวันถึงดรด า, ราวรัตนเด่นอุ ด, ดมพิมพ์ที่บริษัทชวนพิมพ์50จำกัด โทรศัพท์024129460